เขาน้อมน้อมต่อคุณปรัตน์ไตรขงกะพระารอาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสัตยมิจุก่านเจริญธรรมไม่ชีระยะที่รมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาคือวันอาสาหาบูชาเนาะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้ววันนี้ในมีความสําคัญอย่างไรนะเมื่อกี้เราก็ได้สวดธรรมจกักกับพระวัชสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญที่สุด mm. เป็นอเอป็นการแสดงอพระธรรมครั้งแรกในโลกของพระพุทธเจ้าที่จะยังธรรมจักรให้เป็นไปคือการเข็นกงล้อพระธรรมจักระคือการที่จะดําเนินอ ะ, ะธรรมให้เป็นไปในโลกนี้เป็นการเริ่มเผยแผ่พระวระสนะเป็นครั้งแรกในโลกนะ อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจึงมีความสําคัญมากแล้วหลังจากที่ทรงแสดงธรรมแล้วก็ได้ภาษาวกเป็นรูปแรกคือพระอัญญากุณธัญญะที่ได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็ได้เข้าถึงซึ่งการที่ได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งตัวมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ได้บรรลุเป็นพระ เ, เจ้าคือเป็นพระโสดาบันเนาะ เพราะนั้นก็เกิดพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วพระญญานยาโกธัญญาก็ได้ขอผสมบทเป็นอภาษา voke ของพระพุทธเจ้า <c oughs> จึงเรียกว่าวันเนี้ยมีความสําคัญมากเนาะพรอได้เกิดพระรัตนตรัยขึ้นครั้ น, นี้ในเนื้อหาของพระธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในครั้งแรกนี้ <c oughs> มันได้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมันได้รวมหลายๆอย่างลงไปรวมทั้ง อริสัตถี 4, เนาะคราวนี้ที่หลังจากพูะุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ <c oughs> ในวันเพ็ญเดือนหกนั้นนะก็เวลาสองเดือนต่อมาคือวันเพ็ญเดือนแปดคือวันอาสาบุญชาเนี่แหละท่านก็ได้เดินทางมาพบกับพระปัญญวัคคีที่ปา่าอิสิปรนะมลึกทายวันนะในขณะนั้นปัญญวัคคีก็มีความไม่เลื่อมใสนะเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้าีนท่านก็ละความเพียรไปแล้ว จากการที่เคยทรมานตนโดยการอดอาหารถึง49วันก็กลับมากรรมาชันพระตาหารอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าเนี่ยคลายคลายความเพียรเพราะความเพียรของในความหมายของปราญวิคีก็หมายความว่าต้องเป็นการทรมานตนเองนะคืออัตตะกิลมฐานุโยคนี่แหละนะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นความคิดเห็นของอชาวอินเดียส่วนใหญ่ในสมัยนั้นนะเพราะว่า เห็นป่ะการทรมานตนตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเป็นการทำให้ละกิเลสนะเป็นการที่เรียกว่าคนมีความเชื่อในเรื่องกรรมเท่าการทรมานตนเองนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าใช้กรรมเก่าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำให้พระบุญเจ้าพอใจนะแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นหนทางที่เรียกว่า เป็นการทนทาน ก, กินเลสให้กิเลสหมดไปนะจะได้เข้าสู่นะความพ้นทุกข์หรือว่าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านะเพราะฉะนั้นการที่มีความยึดมั่นเช่นนั้นนะเป็นเป็นมโนคติในยุคนั้นของชาวอินเดียนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ต้องหาหนทางเดียจแก้อความคิดเห็นเช่นนี้ให้หมดไปจึงได้ทรงแสดงครั้งแรกในเรื่องการมาสุขาริการโย ก, ก็คือหนทางที่มันไม่พ้นทุกขนะ์มีสองอย่าง คือาทางสุดตรงสองอย่างนั่นก็คือการมาสุขาริการุโยกเป็นขนทางที่เรียกว่าเราก็เพลิดเพลินไปในตัณหาต่างๆมีรูปรสกลิ่นเสียงโผฏพระคือการสัมผัสธรรมารมณ์คือใจนิคิดไหลไปในทางอายตนะต่างๆเหล่านี้ตาหูจมลิ้นกายใจซึ่งไปเสวยรูปรสกลิ่นเสียงโผฏพระธรรมารมณ์เหล่านั้นทําให้จิตใจมีความกําหนักนะมีความเพลิดเพลินไปในลมต่างๆ อันนี้มันเป็นการที่เรียกว่าจริงๆแล้วคนในอินเดียสมัยนั้นก็คิดเช่นนี้นะคือบางคนก็พยายามสแสวงหาความสวยทางกายไม่เต็มที่เพราะเมื่อคิดว่าเ <c oughs> มื่อได้สวยความสุขทางกามเต็มที่แล้วก็จะทําให้จิตใจเนี่ยมันหมดกามได้นะมันก็เรากินอะไรอิ่มมันก็ไม่อยากกินต่อแล้วเลยทํานองเนี้หรือเราได้เงินทองพอแล้วก็ไม่ต้องการต่อบไปแล้วมันก็เป็นความคิดของเขาเช่นนั้นเหมือนกันเพราะนัะ้นเขบอก ว, ว่าอันนี้มันไม่ใช่หนทางนะ รูปรถกินเสียงพดธัฏ ธ, ธรมรมมเนี่ยการที่เราเสวยกรรมนี่มันเป็นเรื่องของคนชั้นต่ำของปุถุชนนะ <c oughs> ไม่ใช่หนทางคนทุกอย่างแน่นอนนะต่อมาก็เรื่องเที่ยตากิมรัฐานุโยกนี้ก็ทรงปริเสร็ในตรงนั้นเด็กเพราะว่าชาวเนเดีย <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจในตรงนั้นว่าเป็นหนทางคนทุกข์แต่ก็บอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างแน่นอนนะ แล้วก็ทรงเสนอทางสายกลางทางสายกลางก็คือมัชจิมาปฏิปทาหรือว่าอาริมัคคีองแปดนั่นเองนะเนี่ยถ้าไปบัตรตามนี้แล้วก็จะเข้าสู่ความพ้นทุกได้เนาะหลังจากที่ทรงแสดงทางสายกลางนี้แล้วก็ได้ทรงแสดงริสัสสีซึ่งเป็นหนทางไปถูสู่ทางสายกลางหนทางอาริสัสสีนั้นอันนี้คือความจริงจริงๆแล้วริสัสสีนี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งขณะพระเจ้าได้ทรงตัดไว้เลยว่า ที่พระพุทองค์ได้ทรงเวียนว่ายตายเกิดนนะบับพรัธชาติไม่ทั่วนั้นก็เพราะว่าไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองเนาะอริยสัจในสี่นี่ก็คือความจริงความจริงรรนะอับบเสดนะอริยสัจสัจคือความจริงอริยสัจคือความจริงกับบเสดสี่ประการอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเราจะต้องรับรู้ในตรงนั้นด้วยนะก็คือประการแรกก็คือความทุกข์นะความทุกข์นี่เป็นความจริงนะไม่มีใครหนีพ้นนะ ความทุกข์นะมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าความทุกข์คืออะไรนะก็คืออชาติปีตุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์เชลาปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกกปริเทวัตุกขโทนะสุปายาสาปีทุกขาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ พัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การมาสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขนะ์คือความความทุกข์นี่คือความจริงซึ่งเราต้องประสบแลอยู่แล้วความทุกข์ก็มีความทุกข์กายและใจนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยความทุกข์เนี่ยนะคือความทุกข์นี้ในกิจที่พระเจ้าให้ทรงอนะ กระทำก็คือความทุกข์เป็นสิ่งเราต้องรู้นะเพราะนั้นความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่เปละเขาคราวนี้เราต้องรู้ว่ามีความทุกข์จริงไหมความทุกข์ก็มีความทุกข์กายและใจนี่แหละความทุกข์กายก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะอย่างที่เมื่อกี้ก็ว่ามาเนี่ยมันหนีไม่พ้นเพราะนั้นการที่เรามีความทุกข์กายเนี่ยเราแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะเรา เราเห็นความทุกไหมในตรงนี้ใช่ไหมนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วมีความกดเมื่อยเราเห็นไหมนี่คือความทุกนะบางท่านก็ง่วงนอนนี่ก็คือความทุกนะบางท่านก็หิวหิวก็มีความทุกบางท่านรู้สึกเย็นเยนก็มีความทุกบางบางท่านอยากอยากเข้าห้องน้ําก็มีความทุกเนี่คือความทุกคือความจริงตรงนี้เราเห็นไหมใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่หาทางออกจากความทุกขแล้วจริงๆแล้วความทุกทางกายนะมันมันแก้ให้จบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมึกมีกายแล้วก็ต้องหาทับท่านุบํารุงเข้าไป นะซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นสิ่งเราไม่พ้นทุกแน่นอนนะประการต่อมาคือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเราต้องรู้จักความทุกข์ทางใจให้ได้นะครั้งนี้ยความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอันตรายร้ายแรงซึ่งทําให้คนฆ่าตัวตายได้ก็เกิดจากความทุกข์ทางใจ <c oughs> คนที่ผิดหวังในเรื่องต่างๆความรักบ้างนะการไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้ต่างๆนะหรือว่าปัญหาในทางเศรษฐกิจ ปัญหาในครอบครัวปัญหาในความรักอ่าต่างๆแล้วก็เป็นเห็นใหคนฆ่าตดตายมากมายเนาะอันเนี้คนฆาตัวตายเนี่มันเป็นสิ่งว่าเขามีความสมบูรณ์ทางกายนะบางคนก็อยู่อยู่มีความสุขแต่จิตใจเขามีความทุกขนะ์หาทางออกไม่ได้ก็ไปฆ่าตวตายนะมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันน่ากลัวอันตรายนะแต่ความทุกข์ทางใจนี่มันกลับแก้ไขได้เด็ดขาดคือทําให้จบไปได้เหมือนกับพระอรหันต์นะท่านก็มีความทุกข์ทางกายนะั่นแหละแต่ใจท่านไม่มีความทุกข์แล้วนะ ครั้นีความทุกข์ในทางใจเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อแก้ความทุกข์ในทางใจนะความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งเราต้องรู้ทันแล้วก็ต้องแก้ไขเขาได้นะมันจึงได้จบกันนะถ้าเราไม่จบในตรงนี้มันก็เรียกว่ามันก็มีพพชาติต่อไปนะมาก็คือความทุกข์นั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์ในอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจริงๆในสมัยท่านท่านเป็นเจ้าชายอสิทธิท่านมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีพระราชวังสามฤดูมีพระชา ย, ยาที่งดงาม มีพระไร่กุมารที่น่ารักนะแต่ทําไมทรงทิ้งมาเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ไม่มีความสุขหรือท่านมีความทุกข์อันนี้ไม่ใช่นะแต่จริงๆแล้วท่านเห็นความทุกข์ในสังสวัสดิ์ต่างหาท่านเห็นว่าคนเราเนี่ยต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเพราะเมื่อมีความเกิดท่านก็ต้องหาทางดับความเกิดดับเชื้อแห่งความเกิดนั่นแหละคือการที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละก็คือการพ้นทุกข์นะพระพุทธ ก, ก็เลยทรงสแสวงหานทางนี้นะเพื่อการพ้นทุกข์ เพราะนั้นความทุกข์ที่แท้จริงก็คือความทุกข์ในสังสารวัฏนั่นเองเพราะว่าเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายแต่เมื่อไม่มีความเกิดแล้วความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่มีเนาะเพราะนั่นนี่ก็คือเป็นการตัดเชื้อแห่งการเกิดนั่นเองอันนี้เป็นเป็นสิลว่าพระเจ้าได้ทรงคนพบในตรงนี้แล้วก็นํามาสั่งสอนเผยแพร่ต่อมาเนาะประการต่อมาก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก็คือเป็นสิ่งต้องละนะคือกิจในตรงนี้ต้องละ สายห่งการเกิดทุกข์ทุกคืออะไรคือยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิราคะสาตาตตะตะราที่นันที่นีก็ได้แก่ตันหานั่นเองนะอันเป็นเหตุนํานไปสู่การเกิดใหม่ะได้แก่การเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งเหล่านี้คือกามตันหาคือการที่เราเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพัทธมรบรมนั่นเองแนละ้วอย่างที่ว่าแล้วก็คือจิตที่มันเพลิดเพลินไปในกามรรบนั่นแหละตรงนี้ก็คือตันหาเนาะกามตันหา ต่อมาที่สองก็คือภาวตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเราอยู่ในทางโลกเราก็อยากได้นะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศต่างๆเราตรงนี้ก็คือภวะตัณหามาเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็อยากได้ส ต, ติสมาธิปัญญานี่เป็นตัณหาเป็นภาวะตัณหาเหมือนกันนะแต่เป็นตัณหาในทางที่ดีนะก็ไม่ใช่ามันไม่ดีแต่จริงๆคือตัณหาแต่เมื่อเราไปปบัติธรรมแล้วจริงๆก็คือปฏบัติเพื่อฉันทะก็คือไปบัติด้วยความพอใจแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วเนาะ ต่อมาคือวิภัตตัญหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะเช่นความโกรธแล้วไม่อยากได้เข้าเราก็ไปผักใสก็เป็นต้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราว่าคนคนที่ไม่อยากได้สิ่งต่างในมีเยอะเลยแล้วก็ไปหาทางจัดการไม่ให้เขาเกิดขึ้นเขาดับไปนะก็เป็นการจัดการสิ่งที่ได้จัดการนั่นแหละก็คือวิภัตตัญหาเพราะจริงๆก็เป็นความกำหนัดอย่างหนึ่งเหมือนกันจิต ท, ที่มีการดิ้นรนไปในคนทางอยากได้หรือดิ้นรนในการถักใส่นะั่นเรคือสัญหาก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนะ มันต้องรู้เท่าทันจิตใจของเราในแต่ละขณะแต่ละขณะให้ให้ทันนะตัณหาเป็นสิ่งต้องละนะตรงนี้เราต้องละตัณหาให้ได้แล้วเมื่อละตัณหาได้มันจะเกิด อ, อะไรขึ้นมันก็เข้ามาสู่นิโรโทนะก็คือข้อที่ว่านิโรธนะครา้ น, นี้ความหมายในพระพุทสนานี่ยคนก็ไปเข้าใจในเรื่องของพันิชยานะให้นั่งนิ่งๆนะอย่าคุยกัน ก็ก็คือว่านิโรธเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเราจะต้องอทําให้แจ้งเนาะทาให้แจ้งอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าการที่เราในพุทธศาสนาเนี่ยคำว่านิพพานเนาะนิพพานบางทีไปคิดว่าเป็นเรื่องของอีกภพหนึงนะมีเป็นเมืองต่างๆอหรือว่าเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอ่าขอให้พบเมืองแก้วขอให้แคบวงมารต่างๆเหล่านั้นนะอันนั้นถ้าเป็นเข้าใจเช่ั้นมันก็เสียเวลาช้าไปเนาะคำว่านิโรธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อหมายความว่ายอย่างไรนะก็คือโยตัสายะวัตันหายะอาศสวิลาคะนิโรโทจาโคปนิสสะโคมุตินาโยนะก็คือคนเราเนี่ยที่ว่าจะเข้าสู่นิโรธคำว่านิโรธเนี่ยแปลว่าดับนะทุกนิโรธก็คือการดับทุกนั่นคือเราจะต้องเข้าสู่วิลาคะก่อนนะก็คือจิตเนี่ยไม่ต้องคลายออกแต่ตันหานะจิตที่เป็นจางคลายหรือจิตที่คลายออกนี่แหละเมื่อเราไปปฏิธรรมเราจะรู้สึกว่าจิตมันคลายออกแล้วคลายออกแล้ว แล้วมันก็เข้าสู่นิโรธเข้าสู่นิโรโทก็คือการดับไม่เหลืองตันหาจาโคคือการสละออกปะณิสโคคือการสลัดคืนของตันหามุตติคือการปล่อยการวางอนาโยคือการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนั้นเนาะตรงนี้ก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์มันอยู่ตรงนี้นะที่ว่านิพพานเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นั่นเองคือทําให้จิตเนี่ยตันหาก็หมดไปนะเพราะว่าสมุทัยนี่ก็คือตันหานั่นเอง เพราะเมื่อทำสมุทัยให้หมดไปคือตันหายหมดไปนั่นแหละก็คือเข้าสู่นิโรธก็คือการดับทุกข์นะเพราะนั้นอนิโรธเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องทำให้แจ้งนะทำให้แจ้งขึ้นมาครั้นี้เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรนะดับทุกข์อย่างไรก็ได้ทรงแสดงอถึงมรรคเมืงแปดเอาไว้นะนี่แหละหนทางเนี่ยผู้ใดปฏิบัติตามมรรคเมืมงแปดผู้นั้นจะต้องอสู่ความพ้นทุกข์ได้นะอะ มักมีองแปลก็คือเป็นสิ่งต้องทำให้เกิดนะกิจก็คือต้องทําให้เกิดมีอะไรบ้างก็คือในข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นชอบนะอันนี้คือปัญญาคือความเห็นชอบเห็นชอบความเห็นชอบไม่จริงๆก็มีหลายหลายประเด็นนะแต่ที่พระเจ้าได้ทรงสรุปก็คือเห็นเห็นอริสัตย์สีนั่นเองคือมีความเห็นชอบประการที่2ก็คือสัมมาสังกัปโปมีดัมลิชอบก็คือมีความคิดชอบ ประการท 5, travels, <Yeah. S 1> ี่3มก็คือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอันที่4ี่สัมมากรรมโตคือทําการงานชอบอันที่5้าสัมมาวายาโมสัมมาอาชิวก็คือมีอาชีพชอบอันที่6คือสัมมาวายาโมคือมีความเพียรชอบอันที่7คือสัมมาสติก็คือมีการระลึกชอบอันที่8ก็คือสัมมาสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นชอบ อันนี้อันนี้คือเลสส์สี่ครั้นี้ถ้าเราจะสรุปให้สั้นๆจำให้ง่ายๆก็คือมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนาะบางท่านก็ไปสรุปแค่ศีลสมาธิปัญญานั้นไม่ใช่นะมันมีสัมมาสติก็คือสัมมาสติอยู่ด้วยคือต้องมีสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมีความสําคัญมากนะสําคัญมากเพราะว่าเมื่อมีสติแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามมาแต่เมื่อขาดสตินะเช่นคนกินเหล้าเป็นต้นนะ คนกินเหล้าในขาดสติเพรา ะ, ะนั้นศีลห้าก็รักษาไม่ได้นะเขาก็ไม่มีศีลใช่ไหมไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตามมานะเพราะนั้นมันจึงต้องมาอมีสติกันนะแล้วการที่เรามาฝึกตรงนี้เราฝึกอะไรนะมาฝึกก็คือฝึกในเรื่องสติเป็นส่วนใหญ่นะฝึกในเรื่องของสติปัฏฐานนะมีคําว่าสติอยู่สติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีสนส่คืออะไรนะก็คือกายนะเวทนาจิตธรรมนะตรงนี้สําคัญมากนะมันเป็นการที่เราเน้น <c oughs> เน้นกลับมารู้กายรู้ใจเรานะกลับมารู้กายรู้ใจเราขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะน่ะที่เรามาฝึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้าสู่ความพ้นดูได้เลยเพราะจริงๆแล้วคนมีสติเท่านั้นนะมันจะต้องเดินในมรรคเียงแปดได้ได้อย่างแท้จริงเมื่อมีสติปุ๊บอ่ะสีนสมาธิตามมานะปัญญาตามมาหมดเลยนะอ่าหลวงพ่อคำเขียนเคยบอกไว้ว่าเหมือนกับมีเสือตัวหนึ่งที่ร้ายกาจมากแล้วก็เอาเสือนี่ไปขังไว้นะ ถ้าบอกว่าใช้ลูกกงห้าซี่ก็ขังไม่อยู่ลูกกงแปดซี่กขังไม่อยู่ลูกกงสิบซี่ก็ขังไม่อยู่ลูกกง2องยิบเจ็ดซี่ก็ขังไมอ่มอยู่ก็คือความเป็นโยมเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นเลนเป็นแม่ชีหรือเป็นพระเนี่ยแม้แต่ศีลสองยยี่สก็ยังขังไม่อยู่เลยนะลองดูนะบางทีพระเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีศีลสมาธิปัญญาอะไรกันเท่าไหร่ แต่ว่ามีข้อเดียวนะก็คือมีลูกกงองเพียงซีเดียวขังอยู่นะแค่ซีเดียวขังอยู่ก็คือลูกกงสตินั่นแหละสามารถที่จะขังเสือเสือนี่คือตันหานะสามารถขังมันได้นะมันจะไม่ออกมาอ่าแล้วในทีสุดมันก็ตายไปเพราะมันต้องอดหานตายนะจากการที่ว่าเรามีอ่าลูกกงซีเดียวคือสตินั่นเองนะขั้นกานที่เรามาเจริญสตินเนี่ยสแสดงว่าเราเจริญมรรคเมีองแปดแล้วเพื่อมีสติก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามมาเนาะ การที่เรามาเจริญสติเนี่ยเราก็ตามรู้กายตามรู้ใจนะคำว่ากายอนุปัสนาหรือจิตตอนุปัสนาก็คือการตามรู้นะคำว่าอนุปัสนาณ์ก็คืออนุนแปลว่าตามมานะตามรู้ตามรู้กายตามรู้ใจนะเช่นตอนนี้เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนแล้วก็ตามรู้ในสิ่งเหล่านั้นนะหรือเราดื่มกินพูดทิ้ก็ตามรู้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราตามรู้นะครา้นี้เมื่อเราตามรู้กายนะเราก็จะตามรู้ใจได้ด้วย มันก็เร า, เ, ราเหรียญนนะมีสองด้านนะด้านหัวด้านก้อยนะเมื่อเราหยิบด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านหัวมาด้านก้อยก็ต้องตามมาด้วยเพราะเป็นการที่เราตามลู้กายนะตามลู้กายไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดเนะี่ยมันก็จะไปเห็นจิตใจที่มันนึกคิดนะเห็นใจที่อารมณ์ต่างๆนะมันจะตามมายัางแน่นอนใช่ไหมครันนี้ถ้าเราเราที่เราหลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างๆเพราะเราไม่กลับมาอยู่ว่าขนาดนี้เรารู้ไหมนะ ตอนที่เรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งถ้าเรารู้เรานั่งเนี่ยเราไปบัตรทาแล้วนะเพราะว่าเรานั่งรู้เรานั่ ง, ง, ง, งมันมันกลับมาตรงไหนกลับมาในปัจจุบันทำนั่นเองนะจิตเราเนี่ยมันจะไหลไปนันดีไหลไปสู่อนาคตเป็นประจาอยู่แล้วเพราะ น, นี่คือความเคยจิตของจิตนะจิตที่ไม่มีเครื่องรู้อยู่เขาจะไหลไปนันดีและอนาคตอ น, นั่นหละคือคนทางที่นําไปไปสู่ความที่เรียกว่าโมหะหรือความหลงนะเข้าไปในอารมณ์ต่างได้ง่าย อันนําไปสู่การเกิดใหม่อย่างที่ว่านมาแล้วนั่นแหละก็คือเข้าไปสู่ออ่ า, อาเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหานั่นเองะจิตมันหลงมาเข้าสู่ตัณหาก็คือความจิตไปเกิดทุกข์แล้วก็นําให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนับพบุนนาชาไม่ทวนขั้นการที่เราจะดัดชื่อให้การเกิดขึ้นมาดับดับตรงนี้นั่นแหละดับอย่าให้เขาไปปรุงแต่งต่อนะเป็นความคิดเป็นความรักความชังไปนะ คณิตจิตที่ไม่มีตัวเกาะคือไม่มีสภาวะหนึ่งให้เขาเป็นเครื่องรู้ให้เขาเป็นเครื่องอยู่เขาก็จะไหลเป็นสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวั น, วนตลอดเวลาอยู่แล้วพวกเราก็เคยผ่านมาต้องเยอะแยะใช่ไหมมีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆในทางใจนะคิดนึกไปเรื่อยๆแต่ครนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงนํำสิ่งเหล่านี้มาให้เร า, าปฏิบัติกันเพราะว่าเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะให้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายนะอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ธรรม คันนี้สิ่งที่ง่ายสุดก็ือกลับมาช่วยกายนะกลับมารู้เนี่ยพระเจ้าเลยทรงสแสดงไว้ว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งรู้นั่งนอนรู้วนอนนะอันนี้คือรื่องขีบทใหญ่หลังนั้นเขาก็ทรงสแสดงอีกบทย่อยคือสามเชิญญาปัฏภะบอกว่าอาเหลวซ้ายแรงขวาเดินหน้าถอยหลังทรงจีวรสังคติคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยนะดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจละปัสวะก็ให้รู้ว่ากาลังทำอะไรเนาะ คือเริ่มต้นด้วยตรงเนี้ยมันจะง่ายนะเรารู้ในแค่ตรงเนี้ยปัจจุบันธรรมเท่านั้นเองกําลังทำอะไรอยู่ให้รู้รู้รไปรู้โดยที่ไม่ต้องเป็นนึกนะตรงนี้มันตัดความคิดได้อย่างปัจจุบันเรานั่งก็ไม่ต้องคิดว่าเรากาลังนั่งแต่ว่ามันรู้อยู่แล้วนะเป็นสิ่งเรารู้หรือเรากำลังยกมือก็ไม่ต้องคิดว่ากาลังยกมือแต่เป็นความจริงในปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วหรือเรากำลังฟังก็รู้ว่าขณะนี้กำลังฟังเราไม่ต้องอาศัยความคิดได้เลยเพราะด้วยวิธีนี้เราก็จะออกจากความคิดได้ เมื่อจะความคิดได้เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะเพราะเราเห็นความคิดได้นะเหมือนกับเราถ้าเราอยู่ในน้ําแล้วก็ไม่เห็นปลาไม่เห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวแต่เมื่อเราขึ้นจากน้ํำเราก็จะดูมาดูก็เห็นปลาเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวหมดเพราะนั้นการที่เราออกจากความคิดก็คือเหมือนกับเราขึ้นมาจากน้ํานันเองนะเมื่อขึ้นมาจากน้ําเราจะเห็นความคิดได้เห็นปลาเห็นต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียงก็เลยให้วิธีคิดที่ว่าวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าออกจากความคิดมาแค่รู้เฉยๆอยู่กับปัจจบันนี่แหละ มันยังไม่ต้องใส่ความคิดนะแต่ถ้าเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรเราต้องคิดใช่ไหมหรือประเดี๋ยวจะทําอะไรก็ต้องมีความคิดเราต้องเข้าสู่ความคิดเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ปัจจบันเรื่อยๆโดยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดให้จิตมีมีตัวอยู่มีจิตรู้เป็นวิหารธรรมแล้วตรงเนี้ยจิตมันจะไม่ไหลไปทางโน้นทางนี้ได้เ ห, เหมือนเมื่อก่อนเมื่อไหลไปเขาก็จะกลับมาที่ที่เดิมอกีกกลับมาที่เกาะที่แหลงที่เข้าสามารถรู้ได้นะกลับมาที่ความรู้สึกตัวกลับมาที่ความรู้สึกตัว เมื่อความรู้ตัวสะสมัยบ่อยเราจะเห็นว่าจิตมันก็จะเกิดอะไรขึ้นจิตก็จะเกิดการตื่นรู้นะตื่นรู้แล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ได้นะตรงนี้ถ้าเราจับประเด็นได้เราจะเห็นว่าเออการเริ่มจิตจริตนี้นมนไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่ว่าเป็นการให้จิตก็ตื่นรู้นะตื่นรู้ตื่นรู้ในกายและใจนี่แหละอ่ารู้กายก็ตื่นกายรู้ใจก็ตื่นใจเมื่อเราตื่นรู้ใจแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะอยู่ไม่ได้นานนะคือกิเลสมันกลัวอย่างเดียวคือการรู้ทัน ถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันจะออกทันทีเลยออกทันทีเลยมันมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะจิตของเราเนี่ยมันตื่นรู้แล้วแต่เมื่อก่อนจิตไม่แม้ตื่นรู้ก็เลยจิตมันหลับไหลก็จะมีโจรมีขโมยเข้ามาในบ้านเรามารักทรัพย์มาอยู่ในบ้านเราเยอะๆเรารู้ไม่ทันนั่นก็คือเราไม่ตื่นรู้นั่นเองความกินเลสความโลภความโกรธความหลงก็ใส่ในใจเราเนี่แหละแต่เมื่อจิตเราตื่นรู้ปั๊บเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาหนีทันทีแล้ น, นนะเขา อ, ออกไปเขาอยู่ไม่ได้นานเนาะเพราะการเจริญสติก็คือทําให้จิตตื่นรู้เมื่อจิตตื่นรู้้้้แแลลลววววกกกกก็็็็จจะเเเหหหนนนนิคคาาาามมมรััชชงงออต่ๆไไดดป เขอยู่ไม่ได้นะตรงเนี้ยมันเป็นการละตันหาโดยตรงเมื่อละตันหาแล้วนะตรงเนี้ยมันก็เข้าสู่ปณิพานก็คือนิโรดนั่นเองนะตรงเนี้ยข้ะนการที่เราจะเข้าสู่ปณิพานแล้วไม่ต้องรอชาติหน้านู่นไกลๆอันนั้นเสียเวลาปัจจุบันนี่แหละเราทํานิโรดให้เกิดขึ้นได้ก็คือเราตื่นรู้รู้ทันกินเลยในใจเราแล้วกินเลยเราก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อคำเขียนมาว่าเมล็ดข้าวที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้นําไปลงดินไปปลูก ถ้าทิ้งไว้เป็นเวลาสามปีมเมล็ดข้าวก็จะฟอก็จะปลูกไม่ขึ้นฉันใดอจิตเราที่เริ่มตื่นรู้ไปบ่อยๆนะกินเลยในที่สุดมันก็จะค่อยๆฟอไปเองนะมันก็ปลูกไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ตัดพบตัดใช้ก็คือตัดเชื้อการเกินใหม่นะแล้วนี่ก็คือคนทางแห่งความมุทติแท้จริงนะเนะี่ยอันนี้ก็คือหลังจากที่ปุ๊พระองค์ได้ทรงแสดงตรงนี้แล้วอปฐมเทศนาเลยแล้วอพระญาณกุลญาณก็ได้เห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมตามเป็นธรรมดาแล้วก็สง่งแล้วก็เข้าสู่ความเป็นพระเจ้าคือพระโสดาบันนะหลังนั้นก็พระสาวกองค์อื่นอีกสี่องค์ก็เข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันตามลําดับแต่ยังไม่มีใครบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรนะเมื่อทรงแสดงจบแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดทุกๆองค์เลยนะ ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญว่า อ, าอนัตตาคื อ, อไรนะอันนี้เอาย่อๆสันๆส้นๆอันหนึ่นงว่าผมได้ทรงสแสดงว่าดู ก, กรพรสุทธ์ทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณคือกายและใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปไปธรรมดาสิ่งนั้นควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหรือไม่ไม่ควรถือเช่นนั้นพระเจ้าค่า หลังจากนั้นพูกเจ้าก็จะทรงแยกแยะว่ารูปเวนาสัญญาสังขารมิยญายไม่เที่เป็นทุกเป็นน้าตาอย่างไรเมื่อทรงแดงจบแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะตรงนี้มันเกี่ยวพันกันระหว่างทั้ง2ประสูตรเพราะเมื่อเราไปปฏิทำแล้วเราต้องเห็นด้วยนะว่ามันอันนี้จังลุกทังหน้าตาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาตรงนี้เราก็จะเข้าสู่ความพ้นุกข์ ท, ทีจริงนะเพราะฉะนั้น ใ, นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุนละไตรน้อนมนําทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งคววามพพ้นพนททุทุกไดดโยเเร